น้องก็จะพูดให้ฟังพูดเรื่องชีวิตรเรานี่ยแล้วเรื่องศาสนาเรื่องศึกษาศาสนาเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบนเรื่องมรรผลในพานก็คือเรื่องของคนเราเนี่ยละ เราจึงมาศึกษาเอากายเอาใจเป็นตําราเอาสติเป็นตัวศึกษาเข้าไปดูให้เห็นกายให้เห็นใจจะให้กายมันหลอกจะให้จิตใจมันหลอกกายมันหลอกให้สุขกายมันหลอกให้ทุกข์ใจมันหลอกให้สุใจมันหลอกให้ทุกข์ความหลงม่านนะั่นหลงก็อยู่ที่กายที่ใจทั้งนั้นแหละ ความสุขความทุกข์ความรักความชังหรื อ, อจะเป็นพระเป็นผีมันก็อยู่ที่กายที่ใจจะเป็นบุญเป็นบาปก็อยู่ที่กายที่ใจเอาให้ดูดูให้มีสติเข้าไปดูให้มีตัวลูกเข้าไปเห็นให้ลูกเห็นให้พกเห็น อย่าเพียงแต่คิดเห็นการคิดเห็นมันผิวเผินต้องให้พบเห็นตัวสติจริงๆมันต้องพบเห็นแต่คิดเห็นไม่ใช่สติไม่ใช่สัมปชัญญะเราจึงพยายามให้มันพบเห็น ถ้าพบเห็นมันก็มีคำตอบอยู่ในตัวเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวมันก็รู้แล้วรู้แล้วเห็นใจที่มันคิดมันก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้วมันคิดก็คือคิดเท่านั้นแหละมันไม่มากไปกว่านั้นหรอกอ้ามันเป็นศกเป็นทุกข์เพราะความคิดแต่มันไกลออกไปแล้วแล้วเราก็กลับได้ มันไปสุขทุกข์เพราะความคิดเราก็กลับมาลู้กลาไปสนใจความสุขความทุกข์อยู่ที่กิตกลับมาลู้ที่กายกลับมารูบที่กายใ่กายเคลื่อนไหวอยู่นี้มันเคยชินนะคนเราเนี่ยมันไปเอาสุขเอาทุกข์เพราะความคิดไปเอาถูกเอาผิดเพราะความคิดไปความคิดเป็นใหญ่ทั้งหมด ล้วแต่มันจะสั่งการสั่งงานอะไรเป็นที่ค่าของความคิดจเจริญในความคิดการปฏิบัติการจเจริญสติเนี่ยมันต้องเป็นอิสระออกมาดูอย่างเข้าไปในความคิดเหมือนกับเราออกงอกโลก มาดูโลกเมื่อเราออกไปป่าจากป่าสุกโตเนี่ยแล้วก็หันหลังมาดูป่าสุกโตจะเห็นแต่ก่อนมันเหมือนกับช่างมันมูกเราไปยืนอยู่ที่ว่านขุด ง, ง่งดูป่าสุกโตสมัยโน้นสมัยยังป่าไม่ทำลายสักต้นเดียวนะ มันหลังมาดูมันช่างมันโมกอเไรชื่อว่าเอราวันแล้วมันก็ไม่ช่างอยู่สีตัวอยู่ในเขตผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนช่างโมกห ม, หมตรงนี้ตรงเทสติจันยุกิสติเบอร์สีเนี่ยมันก็หัวช่างที่เขาเท หอไใจกันไว้นอนมันกับตัวช่างที่มันหลังกงๆมันโมกอยู่มัน ก, ก็เรียกว่าเอราวันอีหนึ่งเนี่ยวันหาที่วัดโมกเกิดขึ้นไม่มีใครแจ้ไขหลวูเทียนให้ผมไปตอนนั้นผมกำลังเล่นกับพวกเก่งพวกกวางพวกหมู คิว่าจะจับเก่งให้ได้มันคุนกันมากมากตอนเย็นๆนน่เดี่ยวคนเดียวไปเวลาจะไปอาบน้ำแถวกติจันไรสารมัดอัชล า, าน้ำให้ม่ขอนมาอยู่ตรงนั้นลงไปอาบในห้วยลึกๆมไม่เป็นสาแบบนี้ ลราเดินลงไปอาบน้ำเลยเพราะเก้งมันจะมาเห่าไก่ป่าก็เว้นขึ้นขันตอนเย็นเย็นไม่ใช่เย็นนะสามบ่ายสามยังช้านะบ่ายสีบายห้าเราก็เย็นมากอาบน้ำไม่ได้มันหนาวบายสามเยลยต้องไปอาบน้ำเก้งมันก็อยู่จอมปลวกเท่กติบริซีนั่นต้นปะดะูใหญ่นั่นผมเคยเอา <c oughs> เอาเอาน่าปลาไปเทให้ให้มันกินมันกินดินจนหลุดจนจนเป็นหลุมแลาไปทางล่างที่หนึ่งต้องเอาน้ำปลามาฝากมันทีเรโขวดสองขวดแล้วก็ไปดูมันไปกินเราได้ว่ามันกินปงกินแล้วมันก็ชนกันขึ้นเขาตอนเราขึ้นจอมปวกตอนเราถ่ายกันขึ้นไถกันลงไถ่ากันขึ้นไถกันลงเงินเราอยู่ใกล้ ดูมันเล่นๆไป่อยผมก็มองดูผมผมก็เห่าโโหผมก็โล้เรื่องเขง้ามามันก็ชนกันไปจะจับมันให้ได้คุ้นกันมากพอดีหลวงปู่เทียนสั่งให้ไปแก้ไขปัญหาวัดโมกก็ไปแล้วไปยืนดูคิดคิดห่วงไม่มีใครอยู่ กไก่พวกเก่งจะเป็นยังไงเนอะนายฟานก็เยอะหลยนั่นเรากลับมาดูก็เห็นวัดป่าสุขโตเห็นโดยความรู้สึกส่วนไม้เห็นโลปล่างเห็นสัตว์ป่าเห็นไก่เห็นหมูด้วยเห็นขยารอด้วย พญาลอเนียมันจะเดินลำแพนให้ดูตอนเย็นๆออกมาวิ่งให้พวกไก่ป่าเนี่ท่วงกันโจ๊กแก่โจ๊กแก่ไม่กลัวใครหรอกพญาลอดเดินง่างงามวนโอ้ยบรรยากาศกลับหันหลังมาดูนีโอ้คิดว่าเมื่อไรจะได้กลับมาอีกเน้อวัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยของพระเทียนเขไม่พอใจนะ้ะที่มาอยู่ตรงนี้ กยูยกับไ้กับเรียงกับข้างอยู่โน่นต้องอย่กับคนโหธทำมาแล้วต้องมาสอนคนก็ ล, ลงไปเดียวออกไปดูดูแล้วที่เราเคยเห็นมา น, นะสุกโตเคยเห็ น, นกับลูกนะเห็นลึกซึ้งด้วยนะใครจะหลอกไม่ได้เพราะเห็นอยู่กับสุกโ ต, โตกอยู่ากับต้นไม้อยู่กับอากาศอยู่กับสัตว์ป่าอยู่กับสิ่งแวดล้อม ม่ทั้งปิ่นมีทั้งเสียงมีทั้งลดลดแห่งความสงบลดแห่งเสียงบังคืนไม่รู้จะฟังเสียงอะไรเลือกฟังเอาตื่นื่อนว่าดึกดึกนด่นเ่ินก่อนจะนอนจะหลับคอยฟังเสียงสัตว์มันล้องเสียงนกเสียงสัตว์ฟังเสียงนั่นโอ้นั่นมันสัตว์แบบนั่นนั่นมันสัตว์แบบนั่นนั่นมันนกันนั่นนั่นสัตว์นั่นมันกรวงมันแจ้ง อันดฟังแล้วก็ออหลับไปตื่นขึ้นมาก็ด้ยินฟังมีเสียงมีลดลดแห่งความเย็นลดแห่งความสงบมีกลิ่นดอกไม้มีกลิ่นใบไม้บางทีแล้วพบเห็นออกไปดูออกไปดูไปอยู่นั่นเดือนหนึ่งปัดหมกแก่ไขปัญหา กลับมาเนี่โอ๊ยตายหมดเลยเจ่งอะอดไม่เหลือเลยเจ่งสี่ห้าตัวตายหมดเลยเขามายิงเอาขอามันคุ้นแนละ้วมันเราไปเอาเอาน้ปาปลาไปให้มันกินเขาก็มาดักเยียงเอาคนที่ยิงก็พอเธอยกทนนี่แหละมั่นหม่นี่แหละตายไปแล้วรถชนตายใจเป็นบาปไม่ไหมสำหรัรถ <laughs> ชนตายเลยไปขาย ไส้สตรีมที่กรุงเทพเดินอยู่อยู่ใสรถอยู่พดบาเพอใสรถออกไปลองพดบาทไปรถก็ชนออเราพอแลกเลยเหมือนกับถูกปืนยิงอะเอามาเผาที่บา้านเนี่ยบางทีเราก็ <c oughs> เห็นจริงๆการออกมาดูกายของเราเนี่ย เราดูอยู่แล้วเดือนสองเดือนแล้วทำไมมันจะไม่เห็นเห็นกามคิดนะเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นอาการต่างๆฝ่าสุกโตมันเสื่อมตั้งแต่ น, น่นละพกเก่งพกหมูพกไก่ยพยาล้อเนี่ยมันลิบหายตั้งแต่นอนแล้วอกัากับเหลือมาไม่เท่าไร <c oughs> ไม่ได้หนีไปไหนตั้งแต่วันนั่นนะพวกเราคงได้เห็นพญาลออยู่เ้วก็มาจิบใครอีกช่องหนึ่งไกลป่าช่องทะเละกันที่นี่ไม่มีพระอยู่ปีพรรษาหนึ่งเขาก็มาเอากระสอบมาใส่เอาไก่ไปบรรลวกระสอบสองกระสอบ บางทีอะป่าที่มาอยู่ไม่มีค่าน้ำค่าไฟไม่มีอะไรก็ให้เขามาจับเอาไก่ในถางป่าก็ให้เขามาไล่เอาไก่เอาไก่จ้างคนถางป่ามันก็หมดแล้วอดเลย่ร้อยสองรอยนะใส่เพื่อนเล่นๆ น, นะไอ้นี่ตรงศาลาเนี่ยเย็นเนี่ยน้องพ่อจะสนุกกับพ่อไก่ เวลามาออกจากกะติมาก็มาปวดศลาโเคโเขโคเขกอยู่นี่อกอกปวดศลาโเคเขโคเข็กโคไก่ไมนได้ยินเสียงกวดศลามันก็ออกมาไม่เคยได้ยินครับออกมาขันออกมามาเป็นกลุ่มกลุ่มทางทิศใต้นี่เป็นจ่าพุงหนึ่งกลุ่มทางทิศตอนทิศใต้กลุมทางทิศเหนือกลุ่มทางทิศใต้ ถ้าหวานข้ามไปทางทิศเหนือทิศใต้เนี่ยกลุ่มทางทิศเหนือมากินไม่ได้กลุ่มทางทิศใต้ไล่ขับไปเอาหวานไปทางทิศเหนือกลุ่มทางทิศใต้ไปกินไม่ได้กลุ่มทางทิศเหนือไล่กลับมาเราก็หวานไปตรงนั่นโอดตรงทิศตะวันออกหวานไปตรงนั่นก็ไปกินด้วยกันก็สนุกแบบหนึ่งแล้วก็ดูมันก็เห็นเถตุรสชาติของสุขโต ใช้ประโยชน์มันเนื่องมีลอยสัมผัสลึกๆ ก, กับชีวิตของเราอยู่สมัยสิบปียี่สิบปีโ น, น้นถ้าบวชมาเนี่ก็่สามสิบกว่าปีลอยพุทธยานบ้างลอยพุทธยานนี้ ลอยเด่นที่สุดเลยลอยสุกโตเนี่ยก็รอยแห่งลดทุกรดอยู่ตรงนี้นาะนี่เราเห็น <c oughs> เห็นชีวิตที่มันสัมผัสการสัมผัสเนี่ยก็คือตัวเราในละตัวเราใหละเขาเป็นดูมันดูกายดูใจของเราไม่สติูโล่เห็นกายเห็นจิตของเรา ถ้าจะเป็นนักชกก็จะเป็นนักมวยก็ชกให้เข้าเป้าเข้าเป้าตรงไหนที่เขากำหนดเอาใบหน้าถ้าชกถูกหน้าเขได้หนึ่งคะแนนถึกที่สองก็ได้สองคะแนนถือที่สามก็ได้สามคะแนนถ้าชกถูกตรงอื่นเขาไม่นับเป็นคะแนนอ่อโอลิมปิกเขานะอันนี้ฟังข่าวฟังข่าวดูเมืเ่อคนเนี่ย <c oughs> อ๋อคนรอน่ะหาสนุกกับคนตีกันตีถูกแข้งถูกเข่าก็ไม่นับร้อยพยายามตีเก็บตีใส่ใบหน้ากันบ้ารือเป็นคนดีก็ไม่โลภคนรอนะก็ต้องช่วยกันไม่ให้ฆ่าไมา่ให้ตีกันการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันตัเอาให้แม่นแม่นนะเอาดูเห็นกายดูเห็นจิตเนี่ยนะ ต, ตีต้องตรงนี่นะ ถ้าไม่ตรงนน้เราไม่ใช่สติีรวเป็นอวิชชาอาวิชชาก็รู้นะรู้รู้แบบผิ ด, ผดแต่วิชชานี่รู้แบบถูกรู้ตรงกิตรู้ตรงกายของเราให้เห็นกายให้เห็นจิตมีสติดูเห็นพบเห็นแล้วใดที่มันคิดรู้ทุกทีให้มันแม่นอะดรคิดไปแล้ว กลายเป็นสุกกลายเป็นทุกข์ไปเส็จแล้วอันนั้นไม่แม่นเก็บตัวแล้วถ้าเป็นนักทกเขาชกขได้ก่อนแล้วเสีอเปรียบเขาไม่ได้คะแนนอะไรคะแนนก็คือสุขคือทุกข์ไปแล้วคือโกรธคือโลกคือหลงคือเกลียดตัณหาราคะไปแล้วเขาเป็นคะแนนกว่าเราต้องแพ่ถ้าเราลุ้นเป็นชัยชนะถ้าแพ้บางทีแพ้มากๆเป็นปรารถนาะ ปาราไชคือปาราคิกนั่นแหละคีเพ่ตลอดเวลาปาราคิกแล้วไม่มีวันที่จะได้วันลุกมากคนในผ่านคนคีแพ่ต้องปาราคิกแบบขี้แพ่ปาราไชในอารมณ์เราจะไม่ได้เสพเม่ไทุนไม่ได้รักของเขาไม่ได้ฆ่ามนุษย์ให้ตายไม่ได้พูดอุดตัลิมนุษยธรรมแต่คนที่แพ่ตลอดเวลา ยินดีบ้างยินไล่บ้างสุกบ้างทุกบ้างโกรธบ้างร้งองบ้างโลภ บ, บ้างกิเลสตัณหาครอบงำ บ, งบังคับขับใสตกเป็นท่าเจ้านั้นนะปาราชัยปาราชิกถ้าภาษาธรรมนะถ้าภาษาคนก็สี่ข้อเท่านะั้นเอาจริงๆเล้ถ้าจะพูดถึงทำมาเป็นเง น, นะแต่สินไม่ใช่สองรอยี่สิบเกตเป็นหมื่นๆแสนๆถ้าพูดถึง สินอันยิ่งสมาธิอันยิ่งนะแล้วเราก็มีสตินี่แหละลรู้สึกนเอาให้มันแม่นๆรู้สึกกายรู้สึกใจของเราอ่ารู้จนถึงกับว่าเป็นหน้ารอบนั่นแหละแต่รู้หลักมันรู้ ก, กายรู้ใจมันก็ต้องมารวมให้เห็นหมดนั่นแหละอาการต่างๆวัตถุต่างๆ โลกที <c oughs> ่ม <c oughs> ันเป็นทุกนามที่มันเป็นทุกโูกที่มันเป็นโลกนามที่มันเป็นโลกโลกมันสมมุติอย่างไรนามมันสมมติอย่างไรมันบัญญัติอย่างไรเป็นวัตถุอาการอย่างไรเป็นปรองมัต์อย่างไรเป็นบาปตรงไหนเป็นบุญตรงไหนเป็นศีลอย่างไรเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างไรอ่าเกิดอะไรนี่มันจะบอกมันจะสัมผัสได้เป็นบุญ ตัวบุญก็คือตัวโล่หนึ่งตัวบาปคือตัวไม่โล่ตัวมืดบาปคือมืดบุญคือไม่มืดพอมันเห็นพอมันเห็นมันก็ไม่เป็นไรนะมันก็ปลอดภัยก็อยู่สบายแต่มันมืดมันก็ไม่เห็นพอเราเดินเข้าไปในป่าเรามืดมนน่อเราเราชนโน่นชนนี่คําไปหลง หลงทางหลงไปในความโกรธหลงไปในความโลภหลงไาในความหลงหลงไปในกิเลสตัณหาลาคะตายใช่แล้วสำหรับความชังนี่นะคือการปฏิบัติถ้าจะลู้เรื่องอื่นโอ้มากพระพุทธเจ้าสอนเราเพียงกํามือเดียวอ่านอุตตปวัตของ ฮัตอันเลยหัตอันที่ิัตอันฮัตอันนัดนัดอันโอ้มายาี่ยนนะแล้วก็เขียนดีนวกันนี่เขาก็ต้องศึกษาศึกษาดูเรื่องชีวิตเรานะมันเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไงมันเป็นบนุญเป็นบาปอย่างไร นอยเรื่องพันอย่างที่มันเกิดอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ย <c oughs> ให้มันเห็นกํามือเดียวอ่า น, นประวัติสมัยพระเจ้าตาประดูลายจับใบ ไ, ไม้เป็นมากํามือเดียวโชว์ให้ภิกษุทั้งหลายเห็นไปไม้ในป่า ก, กับใบ ไ, ไม้กคำมือของเราเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันดูเถอะภิกษุทั้งหลายที่ทั้งหลายก็ตอบว่า ใบหม้ในป่ามันมากกว่าใบไม้ใ น, ในกำมือของพระพุทธองค์พระเจ้าบอกนี่แหละเอามาสอนพวกเธอทั้งหลายเท่านี้สอนความรู้มากมายนะอย่างที่เราว่าสินห้าสิลแปดสินสิบสิน 10, สองรอยี่บเจ็ดบางทีเพียงได้ยินว่าสินสองรอยเจ็ดก็กลัวแล้วแต่สินห้าก็กลัวแล้วยอมเพื่อ บ, บางคนอบางที เห็นมากับตาเพราะว่ า, วาข้อที่ห้ายกมือท่วมหั ว, หวรับไม่ได้เวลาไม่ระยะมันะเอาไม่ได้ก็กลัวแล้วยิ่งมันไม่ใช่เท่านี้ศีลของเรานะ่มันมากมายหลายอย่างยิ่งมีศีลยิ่งประดับยิ่งงดงา ม, มบางคนก็ติดเหล่าติด โลกติดรถติดกลิ่นติดเสียงไม่โลกเขาไม่รู้ตัวเขาเหมือนเต่าเหมือนปลาที่อยู่เต่นในน้ํามันไม่เห็นบกเหมือนกับเตา่าโผล่ขึ้นมาทะเลมุดลงไปมันกลัวกลัวบกเต่ามันไม่กลัวสะเทือนบกเสะเทือนน้ําขึ้นมาบนบกก็ได้อากาศหายใจก็มีอาหารก็มี ที่ชีวิตของเราก็เหมือนกันออกมาดูนอกโลกดูไปสุขทำไมไปทุกข์ทำไมไปโกรธไปโลภไปหลงทำไมไปรักไปชังทำไมไปยินดียินล่ทำไมไปรับใช้กิเลสตัณหาลักข้าทำไมลองหายใจดูลึกๆ ก, ก็ได้นะให้รู้ตัวเองนะ่ะชีวิตของเรามันดึงออกไปมากแล้ว กมันกลับมาเรียกมันกลับมาโล่เอาพเนี้ก็ตั้งใจจะมาเข้าถ้ำที่สุกตะผลที่สุก็อยู่ไม่ได้ไปกันล่อนกันล่อนเหมือนเดิมคิดว่าสร้างรรมไว้เพื่อจะมาอยู่เอาให้มันเงียบตัวสุกพันศานึงก็ไม่ไหวอันนี้ก็จะได้ไปอาจจะไม่ได้กบมานะอาจจะพักที่ทา่ามอ๊ะไป อ า, อาจจะตระเลใจหน่นนะไปนาโคน้องโคอยู่นะไปน้องโคพ็กลับมากับไปอีกแล้วพุทธมนตนแล้วานาโคก็ไม่มีเพื่อนรอยี่สิบวันงานนาโคไม่วันสองวันที่จัดไว้ล็อกไว้ที่มาร่วงงานาตั้งแต่วันที่ 19, ยี่สิบไปไปสิบเก้ายี่สิบงานอบรมกลุ่มแม่บ้านตั้งแต่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่บห้าไปก็อบรมผู้ใหญ่บ้านกำนันดีไหมอุดให้หลวงพ่อไปไหมน <c oughs> ่านไปนะน่าแต่พวกเรา็มีอาจานไารซานไมสันติกุรโลม เพื่อนโอ้สบายเลยวัดสุกโตปีนี้หนึ่งในสี่ห้าสิบปีละปีนี้เราอยู่กันด้วยความสงบแม้แต่ผู้ที่ตั้งใจตั้งใจดีๆสละบ้านเรือนสละหน้าที่การงานมาเ่านี่ก็เพื่อนของเรามาบวชตั้งใจดีๆเนี่ย คืออย่างวัดถ้ามาไปหวานน่าเป็นห่วงกว่านี้มากตอนเย็นนั่นนี่ผมจะนอนถ้ามาไปหวานพอได้พูดกับพระกับงสงฆ์เล็กน่อยสเสมอชะง่า ก, กันอยู่ออกมาเมื่อบานก็มานั่งอยู่ศาลาประตูวัดเนี่นกองแกงเหงาอะไรก็ไม่รูเ้เมื่อไรนอจอกปรรษามา่อไรนอจอกปรญษ า, า, า, าก็ไป่ศาลาศลาน่าประตูนี่แต่ผมอยูดไม่ให้มานั่งเลยนะนี่ก็ไม่มีใครบอกมานั่งคอยดูคนผ่านไปผ่านมา มันก็ไม่น่าดูพวกเราเนี่ยหาที่หาเวลาไหนไ ม, ไม่เหมือนปีนี้แล้วหุ่นใจามากๆฉันไปสารฉันตีกันโลหรืออาจารย์หลายองค์อยู่ตรงนี้เอาใชยโอกาสเลยพวกเราเข้าท้ำกันกะติคนละหลังละหลังฉันเช่าเสร็จแล้ว โอ้เอ๋ไปทำมันอิดกลับมา <c oughs> มันนั่งดูตัวเองหมันกับสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้ากับเหล่าพระสาวกเดินลอนแรลมไปไปเห็นป่ า, น, า, น, าน้ำน้ำไสไหลเย็นเสียงนกนอยต้องเคียวเช้าชกเคียกสามเสียงน้ำตกพระสงท์หลายตื่นเต้นกันโอ้ป่านี้ดีเหลือเกิน ใ่พระโมกลาสาลีบุตรพระ อ, อนุนพระนุรธะพระอุบาลีโต้กันป่าอย่างนี้ไปสนทนากันเยอะบาลีก็บอกว่าป่าอย่างนี้ต้องให้พระผู้ที่ทรงพระธรรมวินัยอยู่จึงจะเหมาะสมเข้าข้างตัว พาโมกคนเราโอ้ยไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่ดอก ป, อ ป, อป่กกาปอย่างนี้ต้องมาแก่พระผู้มีฤทธิ์ที่ปฏิหารอาซาลิกก็บอกว่าไม่ใช่ป่าอย่างนี้ต้องอุทิศเลิศด้วยปัญญานนว่านนนก็บอกโอ้ยไม่ใช่ป่าอย่างนี้ต้องเป็นพระผู้สูตรอ่รอาสายอองก็เข้าข้างตัว คงจะเหมาะคงเจะเหมาะถ้าเราอยู่นี่ถ้าเราจิตสอนคนเราจะ น, นําเรื่องนั่นเรื่องนี้มาพูดให้เรื่องพระเจ้ามาสอนปกเราให้ได้ยินได้ฟังมากๆก็นองไปคิดไปพระเจ้าเดินมาพบเขาอ่าพิกตุทั้งหลายบอกเธอสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรอนไรจำ ม, มาพูดนะพิจตุรังร้ายก็ตอบว่าเขาพูดกัน บาบานี่ดีอย่างนั่นดีอย่างนี้เหมหาะสําหรับพระอนุก็เหมาะสําหรับพระองษุสูตรเพราะพระอนุนเป็นได้รับเอตตัคขะในทางพระองษุสูตรบาวาลีก็เอตตัคขะในทางพระธรรมวินัยละโมกันลานะก็เอตตัคขะในทางลิทธิปฏิหารอาจารบุรก็เอตตัคขะในทางเลิศในทางปัญญา ก็ว่ากันไปทั้งเล่นทั้งลอ ก, กันะสังเกตดูพระยากว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายป่านี้ดีสำหรับภิกษุผู้ฉันเบนทบาทแล้วกลับมาล่างบาทวางบาทลงนั่งตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่น มีสติรูนตัวทั่วพร้อมนี่ป่าอย่างนี้เหมาะสําหรับผู้ที่ตั้งกายตรงนาลงสติมีสติเป็นหน้ารอบที่จะตั้งรายครับสาธุท่านเราทําอันอื่นไม่เหมาะตรงนี้นะมีเหมาะอย่างเดียวคือมีสติที่ไหนไหนก็เหมือนกันนะเนาะมีสตินี่เหมาะที่สุด เหมาะที่จุดท่านมีสติอ่าไม่มีสติที่ไหนก็ไม่เหมาะมันหลงมันหลงเราจะไม่ประโยชน์อะไรตัวรู้นี่แหละชีวิตเราแท้ๆตัวรู้นะถ้าตัวหลงไม่ใช่ชีวิตเราดอกปฏิมานเอาไปยาเข้าไฟกิเลสตัณหาละฆาเอาไปตัวรู้จะตัวนั้นเป็นของเราเป็นอัตตาหิอั ต, ตโนนาโถครึ่งครึ่งได้ ถ้าลงหรือมันพึ่งไม่ได้แต่ความรู้จักตัวเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันยากทำอะไรก็รู้ได้เนี่ยนพริบตาดูก็รู้ได้หายใจดูก็โด้ได้กืนน้ํำลายก็รู้ได้อยิ่งเรามาทารูปแบบสร้างจังหวะเดินจงกรมให้รู้จักตัวเนี่ยนี่ก็ อันนี้ก็ผมก็ว่าจะให้ชาวบ้านเขามาถางมาได้หญ้าที่เราปลูกป่านะอาจาร์หนุชาวบ้านมาได้หญ้าก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่คนคนเลไรอาจาย์ผสามคนคุณสณณุวิดาเอามาให้สําหรับดับไฟป่าที่ใช่ไปบ้างแล้วส่นน่ะเราจะามาด้หญ้าที่ปลูกป่าเนี่ยให้เขาเสียอเขาถากเอา เขาเรียกท่วมขึ้นสูงละหญ้าตรงโขกปลาส่งจะงงเห็นต้นไม้ไห ม, ไมท่วมหมดแล้วนะให้เขามาได้ได้เท่าไหร่ก็เอาคือหนึ่งมันจะมีประโยชน์ตอนในชาวบ้านเขาลังอดอยากยากแค้นอยู่ให้เขาพอมีเงินมีงา น, ม, งานมีงานทําเขาก็ได้งานส่วนหนึ่งอีกหนึ่งเขาก็มี ในเงินไปซื้อข้าวซื้อของกินแต่ว่าไม่ไม่ใช่อัญาสว่ามันก็นายกส่วนนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยคงไม่คงไม่จะเตือละลายทะเลนะนะเมื่อวานก็บอกอปตเข า, าหาหาคนมาทำน่าจะเอาทีคนก็บอกว่าแล้วแต่ใครจะมาเท่าไหร่แต่ว่าต้องมาทำจริงกิิงเอาราคาวันเมื่อไรเท่าไหร่ ก็ต้องตรงกันเอาเพราะเราไม่ได้จ้างจริงเราเป็นการสนับส น, นุนช่วยเหลือสร้างป่าของเราขอบอกนะนะอาจารย์ประชะ า, า, า, า, าร์า่ะสักการะพระพระองสมเัมจพระบรม โตังโตัตังอวเตสวกาโตภตัโมัมมนมสสพพิปโนภวโต